บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงปัญหาทางใจของผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยประการแรกคือความศรัทธาเลื่อมใสที่เลื่อนลอยไม่มั่นคงหนักแน่น อยู่ในคูนของพระรัตนตรัยประการที่สองคือมีความคิดรุนแรงในความอาฆาตพยาบาทการเบียดเบียนประทุษร้ายกันประการที่สมก็คือหมกมุ่นในกามารมณ์ทั้งหลายจะมีการยื้อแย่งปราดปรานต่อสู้กันประการที่สี่ก็คือมัวหมกประมายมองใล้ๆกับชีวิต จะเป็นของยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่แปรผันซึ่งอันที่จริงแล้วก็เป็นปัญหาทาวรในจิตใจของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามเพราศาสนาทุกศาสนาในโลกจะมีการเน้นย้ำที่ศรัทธาให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงในสิ่งที่ควรแก่การศรัทธา โดยเฉพาะยังยิ่งก็คือองค์หลักของศาสนาศาสนาที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าก็จะให้ความสำคัญแก่พระผู้เป็นเจ้าคือศรัทธาหนักแน่นในพระผู้เป็นเจ้าศาสนาที่ไม่ให้ความสำคัญแก่พระผู้เป็นเจ้าก็จะให้ความสำคัญแก่องค์ศาสดาคือเชื่อมั่นในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความเชื่อมั่นนั้นก็อาศัยการเพิ่มพูนมาจากพระพุทธคุณที่เราเรียกว่าจเจริญพุทธานุสติคือาการตั้งสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าถ้าจิตใจมีความศรทธานักแน่นมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าได้ปัญหาสามอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็จะถูกขจัดไปเพราะว่า ใจที่มีความศรัทธานั้นจะเป็นใจที่ป่องใสความป่องใสก็คือความบริสุทธิ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นภายในใจความมาฆาดปยาบาทการมมมอมหมกมุ่นในกามอารมณ์ความประมาทนั้นเป็นมลทินของใจเป็นกิเลส ข, ของใจทำใจใคุณหมัวสศร้าหมองเมื่อใจจะเกิดผ่องแผ้วขึ้นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นถูกกระจัดตามไปด้วย ในการเจริญพระพุทธคุณให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นจนไม่หวั่นไหวได้นั้นจ่มีวิธีการหลากหลายที่ให้ผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติพยายามสะสมศรัทธาให้เพิ่มปูนขึ้นไปในจิตใจตัวหนึ่งจึงเป็นภาพของอาคารสถานที่ที่เรียกว่าปูชนียสถานปูชนียวัตถุ แปบสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ บ, บูชาหรือบุคคลแก่ที่ควรแก่แก่การเคารพ บ, บูชาเจดผูวกวัดวารามระพุทธรูปพูกเจดีพูกสถานที่ประสูติสัตวรุนิพานของพระพุทธเจ้าใจเราสัมผัสคุณพระพุทธเจ้าเมื่อได้เห็นด้วยใ้การเห็นเป็นตัวเสริมให้เนกะิดสตาร์เชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้า มีการอาธาิบายชีย้แจงถึงความเป็นมากของสถานที่เหล่านั้นความดีงามของสถานที่เหล่านั้นก็แสดงไว้ใช้การฟังเป็นตัวเสริมให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นจิตใจเราคิดตามที่เราเห็นคิดตามที่เราฟังพลังก็ศรัทธาก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น แต่เรื่องนี้จะต้องทำไ ป, ปยทาต่อเนื่องทำอยู่สม่าเสมอวิธีการในสังคมพูดเราที่ใช้กันมันก็มีอยู่หลายๆวิธีนอกจากวิธีที่กล่าวแล้วก็คือวิธีที่นำบทประทธคุณมาสวดสาธยายบังกับบังคราเราทราบข่าวว่ามีการสวดลักขีคือสวดกันเป็นแสนจบเราแสดงวาในขณะนั้น หูก็บุคคลได้ยินเสียงสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยใจก็สงบอยู่ที่บทสวดที่ตัวสวดแล้วก็เสียงที่ตนได้ยินสวดแล้วก็ให้เกิดเป็นความสงบขึ้นภายในใจบางรั้บางคราวสมาธิเร ด, ดีเราก็อาจจะคิดตามไปเรื่อยๆจะคิดแปร ى, ถึงคำแปรของบทพระพุทธคุณแต่ละบท ก็จะเห็นนยัยยเห็นความดีงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของเราแทนที่จะเป็นการเพิ่มพูนเฉพาะศรัทธามันก็เพิ่มพูนคันติเพิ่มพูนความเพียรเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนความอดขั้นความอดทนขึ้นเพราะเป็นการการะทำที่ต่อเนื่องยาวนานธรรมะที่เกิดขึ้นยังไม่ได้มีเพียงข้อเดียว สิ่ดีงามในด้า น, นต่างๆก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งไม่ดีที่ส่งกันข้ามก็จะถูกขจัดไปด้วยบางครั้งบางคราวเพื่อฝึกให้สติดีให้สมาธิดีโบราณท่านก็ น, นำโอรพุทธคุณมาใช้ขีดเขียนขึ้นเป็นรูปยันเป็นยันแปดทิศบ้างเป็นประพุทธคุณถอยหลังบ้าง ทะยังไปทะยังมาซ้ายขวาหน้าหลังบางเป็นวิธีการฝึกสติสมาธิและความเพียรพยายามของขดแม้ขณะที่ท่องจาก็สาหาัสาหาสาการแล้วเรายังสวดทะยงไปทะยังมาอีกซึ่งหมายความสติก็ต้องดีสมาธิต้องดีความเพียรต้องดีความอดกลั้นอดทนต้องดีแล้วกุศ ล, ลเจตนาที่ เกิดขึ้นภายในใจนั้นมีกําลังเพิ่มขึ้นช่วยเกิดการกระทําที่ต่อเนื่องเรือง น, นี้ที่ยืนก็คืออุบายวิธีทั้งหมดจะช่วย เ, เสริมสร้างให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจถึงเมื่อความสงบเกิดแล้วอาการที่กูดมัวเศ้าหมองภายในจิตจะได้ยชื่อยังไงก็ช่างที่ส่วนใหญ่จะเรียกวันนี้ว่อ ก็จะสงบไปเองเรียกอนุบัติแต่การต่อไปก็คือ น, นำเอาพุทธคุณมาสาธยายมาภาวนาหรือจะทรมาคุณสังคุณก็ตามจนภาวนาหายใจเข้าเป็นพุทธได้จะออกเป็นโตรหรือหายใจเข้ า, ห า, ขาหายใจออกพุทธโตรพุทธโรหรือทำโมทโมทสังโฆสังโฆจริงๆใท้ใบทใดก็ได้ เพียแต่นิยมใช้บทที่สองพยางค์เพื่อให้การหายใจสัมพันธ์กับตรงนั้นในภาคปฏิบัติจริงๆจะเอาให้สัมพันธ์กระลมหายใจก็ได้หรือเอาเฉพาะตัวพระพุทธคุณเองก็ได้ก็สําคัญเราเป็นที่เกาะที่ยึดของจิตให้จิตสงบอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอารมณ์จึงเป็นที่เกาะฐานนั้นเองเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดเป็นที่ผูกจิตเอาไว้ คล้ายๆกับต้นไม้ยังอ่อนแอก็เอาไปดามไปจนกว่าก็จะแข็งแรงกังตัวได้เมื่อตั้งตัวได้แล้วมันก็ยืนหยัดได้ดตัวเองแก้ไขปัญหาได้ดตัวเองจะหยิบอารมณ์อะไรขึ้นมาเพื่อทำใจสงบก็ทำได้เพียงว่าตอนต้นๆจะต้องมีการช่วยเหลือจากปัจจัยภายนอกมากอยู่เท่านั้นเอง การต่อไปก็คือนำมาคิดการคิดนั้นต้องอาศัยปริยัติคือความรอบรู้ในเรื่องของพระพุทธคุณซึ่งเราจะพบว่าท่านที่ดื่มด่ำในคุณพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งจริงๆเช่นถ้เราไปอ่านการเทศของเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจาันท์จันทริจั น, จนโทวัดบรรมนิวัฒน์ไปอ่านการเทศของหลวงปู่เทศวัดถิ่นหมักเป้ง ที่เกี่ยวกับพระพุทธคุณเจตว่าท่านมีความดื่มดำทราบซึ้งในพระพุทธคุณพูดได้นยกวิจิตพิสดารในแต่ละเรื่องในแต่ละบทเป็นการถ่ายทอดมาจากสัมผัสทางใจของท่านพระพุทธคุณนั้นที่จริงแล้วพันนาไม่หมดหรือบรรยายไม่หมดยังเราสัมผัสได้ด้วยใจ งสามารถที่แจงสามารถบรรยายได้มากมายรียสาวกบางท่านกล่าวสรรเสริญพระทุคุณรวดเดียวเป็นร้อยๆยบทโดยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมาก่อนหรือไม่ได้คิดค้นมาก่อนพออธิบายท้กาก็อธิบายเป็นร้อยไหนพันไหนได้นั้นแสดงว่าเป็นสัมผัสตรงมีลักษณะสัมผัสได้ลึกจิตใจดื่มดำ เกิดปีติประโมทเกิดมองเห็นโดยนยะนั้นนั้นจริ น, นี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปที่แจงนำไปอาธาิบายได้วิจิตพิสดารตรงนี้จะเห็นว่าเป็นการเพิ่มปัญญาเพิ่มสติเพิ่มสัมปัทธัญญาแต่เราก็ยังไม่ค่อยได้สัมผัสตรงอะไรเท่าไหร่นิยะหนึ่งท่านสอนให้ นำเอาพระพุทธคุณมาไว้ภายในใจให้ใจมีพระพุทธคุณอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งยิ่งมากเท่าไรได้ยิ่งดีเพราะเมื่อเรามองโดยผ ล, ลรวมของการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจะเป็นระดับใดกระตักถ้าเกิดผลแล้วเราจะสัมผัสพระพุทธคุณสัมผัสระดับศรัทธาระดับปัญญาก็ะตาก แล้วจิตใจเราจะสงบขึ้นจิตใจจะบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราสัมผัสได้มากหรือน้อยแล้วจะมีโลกทัศน์คือการมองโลกมองชีวิตมองสิ่งมองสัตว์มองคนลักษณะที่รู้เท้าทันทําความเป็นจริงแต่เห็นว่าพอมองได้อย่างนี้ไอ้ความรู้สึกอาคติพยาบาทรุนแรงเบียดเบียนพัฒนาการด้วยความโกรธ ด, ด้วยความพยาบาทก็สงบ แต่ใจมันจะเกิดเมตตาขึ้นมาแทนพอใจเมตตาเองแม้แต่ตัวเมตตาเองซึ่งเป็นบริสุทธิ์ที่คุณเลยเห็นว่าเมตตาที่เกิดขึ้นนั้นไม่บรรเทาราคาได้มันตทาความกับหนักเพลิดเพลินในพวกากมะคุณทั้งหลายได้เพราะแทนที่จะมองในแง่ของกิเลสคือด้วยความกับหนักแต่จะมองในแง่ของเมตตา เมื่อการมองลูกมองหลานมองพี่มองน้องไม่ได้มองไปในทางที่จะตอบสนองความต้องการของเราแต่มองในแง่ของความอบอบุ่นความเป็นมิตรสนิทสนมการคุ้มครองดูแลการาพิบาลการเอื้ออาทรต่อ ก, กันช่อยเกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขที่แล้วบุคคลก็จัดการเป็นผู้ตื่นไม่โมอม ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่ผิดรูปถึลักษณะเหล่านี้ท่านสาธารณะหลายจะมองไปในจุดอื่นก็ได้ก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเจตประโสดาบันที่ท่านพูดถึงคุณสมบัติศรัทธาของท่านแต่ว่าสิ่งที่ขาจัดได้เป็นเรื่องของโมฆะแสดงว่าธรรมะขอให้เกิดขึ้นสักข้อหนึ่งก่อน แล้วต่อไปปริมาณก็ธรรมะเหล่านั้นเองจะดึงพวกเดียวกันเข้ามายกตัวอย่างง่ายๆว่าในขณะที่ท่านทั้งหลายฟังหรือว่ามีกุศลและเจตนามาต้องการจะไว้พระสวดหมุนสมาทานสีงฟังธรรม ะ, จะเจริญกรรมฐานกุศละเจตนาเหล่านี้เป็นตัว น, นากุศละธรรมเหล่า อ, อื่นก็ตามมาเป็นแถว มีความพยายามมีความอดทนมีความเชื่อมัน่นมีปัญญามีเหตุมีผลมีกุศลธรรมต่างๆเป็นอันมากเกิดขึ้นมาด้านการยกเอาประพุทธคุณแต่เราบทขึ้นมาแล้วก็ใช้ประโยชน์ในจุดใดก็ตามมันเป็นคุณอุปการต่อจิตคือจิตจะมีความสงบมีความเยือกเย็น เหตุผลมีสติปัญญาเพิ่มปูนขึ้นและเกิดฉัน้นธาอุตสาหะที่จะสัมผัสตานองคล้ายๆกับ ร, รู้คุณค่าของอาหารคุณค่าของสถานที่ที่เราจะไปใจ ก, ก็จะเกิดความกระตือรือร้นที่จะรับประทานอาหารเหล่านั้นที่จะไปในสถานที่นั้นที่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นมันเป็นปฏิกิยาทางจิต ที่ก่อตัวขึ้นมาโดยลำดับแล้วก่อนนั้นเร้พูดถึงเรื่องของคาว่าอาราหังจากบทาาที โ, โาารสวดสาธยาอิติวิโสกาวาอารังสมาสมุทโธอิติวิโสปกวาแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคยา้อารหังเป็นพระอารหันทั้งสายชนทั้งหลายจะสังเกตว่า บทนี้ท่านเริ่มที่พระวิสุธทธิิคุณคือความบริสุทธิ์ของพระพุทธมีพระภาคเจ้าแต่การสรรเสริญที่จริงไม่ไม่จำเป็นจะต้องเริ่มที่วิสุธทธิคุณก็ได้บทนมโมนั้นไปเริ่มที่กรุณาคุณเรื่องที่บทว่าภควานามโมตาาัสสะภควโตภควาโตก็คือภควาเป็นผู้จําแนกแจกจ่ายธรรม แสดงว่าเป็นการเริ่มที่พระกรุณาคุณแต่บทธรรมะเช้าที่ผ่านไปที่เราขึ้นบทพุทโธสุสุโธกรุณามาณโวนั้นเราสังเกตว่ามันขึ้นที่ปัญญาคุณพุทโธก็คือปัญญาคุณสุสุธโธก็คือบริสุทธิคุณกรุณามาณโวก็คือกรุณาคุณเพราะอันที่จริงพระคุณนี้ถึงกันแล้วก็เป็นเหเป็นปัจจัยของการอะรกัน เมื่อมีก็ต้องมีด้วยกันครบทั้งสามอย่างถ้าไม่มีก็ไม่มีด้วยกันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะข้าใดข้อหนึ่งมีก็มีด้วยกันไม่มีก็ไม่มีด้วยกันทำนองอะไรทำนองคล้ายๆกับแสงสว่างเกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องมีพร้อมกันในขณะนั้นก็คือความมืดมันหมดไปแล้วสิ่งที่อยู่ในที่มืดจะปรากฏตามความเป็นจริง เราจะเห็นสิ่งซึ่งเคยอยู่ในที่มืดตายอย่างชัดเจนเันาสามอย่างนี้จะแยกออกจากกันไม่ได้เสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปสิ่งที่อยู่ในที่มืดปรากฏนั้นเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันถ้าเขามีเขาก็มีด้วยกันถ้าเขาไม่มีก็คือไม่มีด้วยกันซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับในกรณีอื่นๆเช่นการรับประทานอาหาร เราจะเห็นถึงความอิ่มที่เพิ่มขึ้นความหิวที่ลดลงเรียวแรงที่เพิ่มขึ้นอาหารในจานได้พร่องลงไปทั้งสี่ประการนี้ต่อเนื่องกันมีก็มีด้วยกันถ้าไม่มีก็คือไม่มีมันไม่ใช่กกินอาหารแล้วความหิวยังเท่าเดิมเรียวแรงก็ไม่มีอาหารก็ไม่พร่องไปไม่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นกระบวนการธรรมชาติธรรมดาจะเรียกว่าเกิดขึ้นเป็นปัจจัยของการอะไกันเกิดขึ้นด้วยกันก็ดับด้วยกันเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ด้วยกันใกล้กลกับชีวิตเราประเกิดมามันก็มีความแก่ความเจ็บความตายติดมาทันทีทราบใดที่ยังมีชีวิตต่อจานั้นเราจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ ถ้าเราได้มองเลยไปจนถึงลักษณะของเรียกวันนิพพานท่านิพพานเป็นชีวิตอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอยู่ในอาญตนันิพานนพานแดนนิพพานเมืองแก้วคือพระนิพพานใดแต่ละอย่างที่พูดกันกระแสดงมนก็เป็นชีวิตในชีวิตก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายกระแสดงมันก็เป็นสังขารสังขารก็ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตตาถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนิพพานเราก็ไม่ต่างอะไรจากโลก แต่นิพานมันอื่นไปจากโลกนิพานจริงไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเพราะนิพานไม่มีเกิดมันไปตัดที่ตัวเหตุได้แต่จริงต่อเนื่องมาจากเหตุมันก็มีไม่ได้สิงที่หลายจึงรายเป็นกระบวนการทางด้านกุศลและอกุศลขวายดีเกิดขวายชั่วก็ต้องดับขวายชั่วเกิดขวายดีก็ต้องดับ เป็นไวแต่กําลังทัดเทียมกันก็ต่อสู้กันก็คล้ายๆกับอาการสบายกับอาการเจ็บป่วยถ้ามันมีกําลังพอฟัดพเวียงกันภูมิด้านฐานโรคอาการของโกกรคพอฟัดพเวีงกันร่างกายเราก็รู้สึกตะขั่นตะครอบรู้สึกหนาวร้อนๆก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นพักเป็นพักไป ถ้าผ่ายใดผ่ายหนึ่งผ่ายแพ้อาการของผ่ายหนึ่งก็จะชัดเจนคือป่วยหนักไปเลยหรือหายขาดไปเล ย, ยเราจะเห็นอาการหายขาดนั้นหมายความว่าภูมิต้านานโรคสูงขึ้นอาการของโรคก็ลดลงความสบายก็เกิดขึ้นโดยแรกจะเป็นอาการต่อเนื่องเท่านั้นพระพุทธคุณทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนี้น เราจะเริ <formation> ่มตรงไหนที่จริงก็ไม่สำคัญแค่แค่แถาวันเชือกเดียวกันโดยจะที่ปลายก็ได้ที่โค้ก็ได้ที่กลางก็ได้มันก็ดึงมาได้ทั้งหมดการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในประพุทธคุณโดยการสวดสายายโดยการนำมาบริกรรมโดยการนำมาคิด หรือด้วยการที่ทำจิตได้สัมผัสโดยแล้วจะเป็นการเพิ่มพูนความดีขึ้นในฐานะนั้ น, น, นประเด็นสำคัญเนื้อหาของความเป็นบทอาหังอรหังนั้นแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรหมายถึงว่าพระเจ้าได้ทำลายกิเลสที่เรียกว่าอวิชชาตะนาปาทาน เมื่อกีเดชเป็นหมดกรรมก็หมดคือทำลายกรรมด้วยการเกิดในโลกเกิดในชีวิตแม้แต่เกิดอารมณ์จะเกิดอารมณ์เป็นนักเป็นชัน่งก็เลยว่าที่จริงมันเป็นอาการของกิเลสแล้วก็เป็นกรรมกรรมตั้งแต่เป็นมโนกรรมเหนื่อย น, นึกตรึกนึกโดยมาสของกิเลอสอคติและกรร ม, มก็เกิดขึ้นภายในจิต พูดออกมาก็เป็นอกุศลกรรมทางวาจาทำออกไปก็เป็นอกุศลกรรมทางกายการทำการพูดเหล่านั้นก็กลายเป็นทุจริตคือพูดผิดคิดผิดทำผิดไม่ถามทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าภายในใจนั้นยังมีกิเลสมีอิทธิพลของอิชาตันหาวปาทานกรรมเขาปรุงจิตเขาครอบนาจิต หลกดันจิตเฉลกราจิตได้เป็นไปตามกระแสก็กรรมก็เป็นอย่างที่เขาเป็นหมายความเราคิดด้วยอะไรกรรมมันก็ออกมาเป็นอย่างไงแต่ถ้าในขณะนั้นเรามีธรรมะอยู่จะเรามีเมตตาอยู่เราคิดด้วยกุศลคือคิดด้วยเมตตาใจเราก็เป็นมโนกรรมขึ้นมาเหมือนเกตแต่เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล พูดออกมาทางวาจาก็เป็นมนโนกรรมเป็นเป็นวจีกรรมฝ่ายกุศลเป็นวจีสุจริตแสดงออกมาทางกายก็เป็นกายกรรมที่เป็นกุศลเป็นกายสุจริตสุจริตก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาเพราะมาจากใจที่ผลุกปรุงด้วยกุศลสุจริตวนาการณของสิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นชีวิตประจําวันของเรา มีการหมุนบนซ้ําๆำ ส, สกสหรือยกตัวอย่างที่เราเรียกว่านักนักเลงการพ น, นันนักเลงสุรานักเที่ยวกลางคืนนักอะไรต่อไปพวกนักนักทั้งหลายนี่แสดงถึงอาการของกิเลสจะเรียกว่าวิชาตะนาวประธานกรรมก็าตามมันปรุงจิตมันมีอทิทธิพลเหนือจิตตื่นเช้าต้องมาต้องก้งก่อน ก่อนจะกินข้าวต้องโกงก็กงเยอะเงั้ย น, น่ยชวนาตาปีแสดงว่าตัณหามันนําจิตกลายเป็นอุปาทานยึดติดถ้าไม่ได้กินเล่าถ้าไม่ดื่มเล้ามันกินข้าวไม่ลงถ้าไม่ได้ดื่มมันก็นอนไม่หลับถ้าไม่ได้ดื่มสมองไม่แจ่มใสแม้แต่สุบุรีอรอะไรก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันที่จริงเป็นอาการของวิชาตัณหาอุปาทาน ที่มันเริ่มมาจากความไม่มีผลความมืดปอดแล้วเกิดอยากไปเริ่มหน้าของความมืดปอดแถวนั้นอยากแล้วก็ยึดอยากแล้วก็ยึดอยากแล้วก็ยึดแล้วก็ยึดกันยุ่งไปหมดเลยมันก็กลายเป็นกรรมที่มีความสลับซับซ้อนกรรมเป็นนั้นมากที่ทําให้คนเหลา่านั้นทําล้วซแล้วซ้ำอีกทาวันแล้ววันเล่าทําทุกวันวันนโมเรื่องกี่ครั้งประสบปัญหาประตรงนั้นก็กลายเป็นพวกนักในด้า น, านต่างๆ ไในขณะเดียวกันพวกนักเราก็เห็นว่านักปฏิบัตินักธรรมะมันก็มีนักดีๆอยู่จึงเป็นการพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาว่าในความเป็นนักอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นอาการจางไปของอวิชชาตน า, าอุปาทานกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตตั้งแต่ตัวมโนกรรมแล้ว แทนที่จะเป็นอิทธิพลของกิเลสมันก็กายเป็นอิทธิพลของธรรมมาทาให้เริ่มความคิดที่เป็นกุศลพูดออกมาก็เป็นกุศลทำมาก็เป็ น, นกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นนักธรรมนักปฏิบัตินักสังคมสงเคราะห์นักอะไรต่อเมื่อไรก็มีอีกมากมายไกล่กลี่ยเราก็เรียกนักเหมือนกันแต่หมายความว่าพวกนี้คือซ้ําๆในด้านกุศล น, นักในฝ่ายหนึ่งก็คือซ้ําๆในฝ่ายของกุศล ทั้งสองอย่างสร้างกรรมทั้งหมดและกรรมนั้นก็หมุนวนคือซ้ำซำ ซ, ำซากซากอยู่ในความดีความชั่วก็กลายเป็นคนดีคนชั่วเป็นความเสื่อมความเจริญความสุขความทุกข์การได้เกียรติได้สถานะจากสังค ม, คามการต้องหลบซ่อนหลบหนีซุกซ่อนซุกซุกซ่อนไปในสถานที่ต่างๆเพราะบาปกรรมที่ตนได้กระทําเอาไว้อาการเหล่านี้ของพระพุทธเจ้านั้นคือถึงจุดเด็ดขาด หมายความว่าดับไปเด็ดขาดเลยทําให้พระไัยของปรุงบริสุทธิ์จากกิเลสแต่ที่จริงใจนั้นมันจะต้องมีอะไรเข้ามาปรงุงเพราะใจเขาไม่มีสระแก่ตัวเองใจจะต้องอ า, อาศัยเจตสิกเข้ามาปรงุงคือสิ่งที่ปรุงจิตได้แก่กุศลอกุศล ก, ก, กลางกลางเพราะเมื่ออกุศลปรุงจิตไม่ได้จิตก็ถ้าก็เป็นกุศล จิตเป็นกุศลก็เรียกว่าโลกุตรกุศลจิตที่เหนือโลกแต่พอดีพระพุทธเจ้าท่านเหนือโลกแต่ถ้าท่านอยู่เหนือโลกก็จบกันโลกจะสัมผัสไม่ได้พระเจ้าก็ปรับพระไทยของพระองค์มาติดต่อกับชาวบ้านด้วยจิตธรรมดาธรรมดาภาษาที่พูดก็เป็นภาษาธรรมดาสิ่งที่เรามาสั่งสอนสื่อสารติดต่อกับชาวบ้าน ก็เป็นภาษาธรรมดาธ ร, รมดาคนเหล่านั้นก็รู้ได้เข้าใจได้แต่ถ้าเราไปศึกษาหเห็นเวลาทรงแสดงแก่บุคคลที่แตกต่างกันในด้านภูมิธรรมภูมิจิตแสดงธรรมะธรรมบางคนเราฟังเส้นง ง, งคิดแล้วคิดอีกก็ไม่เข้าใจแสดงผู้ฟังนั้นภูมิจิตสูงภูมิธรรมสูงภูมิรู้สูง ธรรมะที่ทรงแสดงก็ทรงแสดงสูงตามพื้นฐานของคนเหล่านั้นที่ฟังได้คิดได้เป็นการแสดงถึงอะไรแสดงถึงปัญญาขุดในความบริสุทธิ์นั่นเองมันไปสะท้อนในทั้งปัญญาเพราะใจที่มีความบริสุทธิ์อย่างนั้นจะมีปัญญาเต็มเปี่ยมยัก ย, ย้ายเปลี่ย น, ปยนแปลงใช้สอยได้เหมาะควรแก่กรณีของบุคคลนั้ น, น, น ทิ้มนี้เมื่อเรานำมาระลึกม่เกิดเป็นความสงบนำมาคิดปีนิพจาจะเกิดปีติปราโมทย์น้อมนำมาปฏิบัติเป็นหลักใจเป็นฐานใจรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่ถูกปรุงแต่งด้วยวิชาตนาวปาทานก็พยายามลดหลักบัรเทาถ้าควบคุมได้ระดับศีลมันก็ปลอดเวีปลอดภัยปลอดอันตราย ถ้าควบคุมได้ระดับของสมาธิก็สงบกายสงบใจได้ถ้าควบคุมได้ด้วยปัญญาก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยปัญญาอยู่ได้เหตุด้วยผลมีชีวิตที่ก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างที่ทรงแสดงว่าสาวกของพระพุมมีรภาคย้าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาดังนี้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป